ได้ที่แล้วก็เตรียมตัวนั่งนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงๆไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ก้มไม่เงยกายให้ตรงๆลมหายใจเข้าออกให้สะดวกสะดวกแล้วก็ กำหนดสตินะนะสติเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหนแล้วแต่ใครถนัดตั้งพระพุ้องค์ตัดไว้อยู่เกียดฐาน น, นะฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสติตามทางเดินของลมหายใจเพราะว่าเรา เอาพ่อเจ้าตัดสลูด้วยอานาปานสติตัดสลูด้วยลมหายใจท่านจึงสอนให้เอาสติตั้งไว้ตามทางลมหายใจอ่ามันมีอยู่ทั้งหมดเกดจุดนะที่แรกก็เริ่มต้นที่จะงอยปากนี่เนาะ หรือเรียกว่าปลายจมูกลมหายใจออกมาสุดตรงนี้ก็เลยเรียกตรงนี้ว่าปลายจมูกเข้าไปขึ้นไปลมก่อนเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงขึ้นไปหน้าผากจุดที่สองจุดที่สามก็กระหม่อมจุดที่สี่คอจุดที่ห้าหน้าอกจุดที่หกท้อง จุดที่8จุดที่7สะดือแล้วลมก็จะปัดออกมาอัดซาสะปัดซาสะอัดซาสะคือลมหายใจเข้าปัดซาสะคือลมหายใจออกลมหายใจจะเข้าไปปรุงแต่งกายเราให้อยู่ได้จึงเรียกว่าลมหายใจนี่แหละเรียกว่ากายะสังขาร มันเป็นสิ่งไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้อัศสะปัสสะเราก็หายใจอาณาปานสตินี่แหละเป็นคำวิกรรมคำาวนาแบบพระพุทธเจ้านะท่านกอจับอารมณ์หายใจตามทางเดินเก็ดตามทางเดินของลมเข้าไปเก็ดฐาน เราท่านทั้งหลายก็เลือกเอาละทีนี่จะเอาฐานไหนได้ทั้งนั้นท่านตัดแสดงเอาไว้ดีแล้วนะลมหายใจจะเข้าไปปลายจมูกเริ่มต้นต้นของลมเข้าตรงนี้ขึ้นไปหน้าผากกระหมอมคอหน้าอกท้องสะดือให้เราหายใจ เข้ายาวออกยาวหยบัยบๆยับแรงแงดูทดสอบดูเข้ายาวออกยาวลึกๆไปถึงสะดือนั่นลนะเลือกนะให้เลือกก่อนเลือกได้ทันที่เหมาะสมถูกจริตนิสัย ตรงไหนมันถูกจริต ด, ดูง่ายเห็นง่ายมันชัดอ่าก็ให้เลือกเอาจุดนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิทดลองดูสักสิบครั้งดูเข้ายาวเอาผู้เป็นไปแล้วผู้เคยทำอะไรก็เหมือนเดิมนะอันนี้พูดเฉพาะผู้มาใหม่อ่าเข้ายาวออกยาว เข้ายาวหนักๆนักแรงแรงออกยาวแรงแงเข้ายาวเบาเาลงออกยาวเบาเาลงสังเกตตัวสตินั้นสติเราเรียกว่าตัวระลึกรู้หรือตัวสังเกตตัวซ่อมเบิง พิจานณาเบิงมันกระทบที่ตรงไหนแรงที่สุดหนักที่สุดชัดที่สุดต้องเห็นต้นลมด้วยนะลมเข้าใหม่นี่เรียกว่าต้นลมเลยเข้าไปแล้วก็เป็นกลางลมออกมา ก็เห็นปลายลมนะมันสุดพอดนะีลมจะมาสุดอยู่ที่จกอยปากของเราเนี่นะที่ปลายจมูกที่เรียกว่าปลายจมูกปลายจมูกก็คือลมสุดส่วนมากเราไม่เห็นลมต้องเห็นลมนะเริ่มต้นต้นลมคือมันเข้าใหม่ลงไปลงไปออกมา สุดมันสุดไหมล่ะอย่าเพิ่งวางนะให้มันสุดเซะก่อนถ้าวางจิตเราก็วิ่งหนีง่ายๆไม่สงบง่ายหรอกผู้วางลมเผลอๆจะง่วงนอนเสียด้วยซ้าไปนะเอาเข้าต้นลมเกิดก็ว่านะว่าในใจว่าเกิดลมเข้าไปออกมาก็ว่า ตายหรือว่าดับอย่างนี้ก็ได้เลือกได้หรื อ, อยังนะฐานเลือกได้แล้วก็เอาสติไปตั้งไว้ตรงนั้นแหละใครได้ไปลายจมูกก็เอาปลายจมูกใครได้หน้าอกก็ตั้งไว้นั้นใครได้ท้องเห็นท้องมันแฟบมันยุบตั้งไว้ที่นั่นแอบดูซ่อมดู อ่าสติดูที่นี่อานาก็คือลมหายใจเข้าปลายนาก็คือลมหายใจออกเข้าใหม่ๆเรียกว่าต้นลมเห็นมันเข้าไหมละ่ะเข้าไปเข้าไปออกออกมาก็เรียกว่าปลายลมสุดนั่นแหละเรียกว่าปลายจมูกแล้วจะเห็น เออให้มีสติไม่ให้หายใจทิ้งเหมือนเดิมนะให้มีสติปัญญารู้ว่าลมหายใจนี่แหละคือตัวของเราลมท่านเรียกว่าวินตัวจิตตัวใจอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าญาณวินญาณ น, นี่แหละคือตัวของเราแท้ๆหรือ ให้มีสติปัญญารู้ว่าลมหายใจนี่แหละคือกายละเอียดกายหยาบนั่งอยู่เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยที่ลมหายใจวิ่งเข้าในกายหยาบเนี่ยก็เรียกว่ากายละเอียดเพราะว่าดินน้ำลมไฟมันก็คือกายของเรา ลมคือกายละเอียดมันเข้าไปในกายหยาบจึงเห็นกายในกายต้องเห็นไม่ให้ไปเห็นที่อื่นนะสติคมกิจมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่นี่เห็นกายในกายก็เห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายวิ่งออกมาอยู่นี่อย่าไม่เห็นที่อื่น เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีพระพุทธองค์ก็ให้วิตกวิจารดูมันจะสงบง่ายผู้ที่จะเข้าฌานก็วิตกวิจารดูลมหายใจผู้ที่จะเข้าสมาธิ ก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเกิดตายเกิดดับอยู่เท่านี้ไม่ต้องวิจารณ์ว่าอะไรเห็นว่ามันเข้าไปแล้วก็ออกมาสุดเห็นลมสุดไหมหลังเหรอนะไม่เห็นลมสุดนะ่เนี่ยมันจะง่วงนอนนนเนี่ยเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณเข้าไปก็เรียกว่าเราเกิด วิญญาณวิ่งออกมาก็เรียกว่าเราดับเราตายเห็นเกิดเห็นตายว่าในใจหรือไม่ก็ว่าเวลาเข้าก็เอาพูดด้วยเวลาออกว่าโทรด้วยก็ได้อเอาออ้มาพูดโทรจางคายหายไปเหลือแต่จะลมหายใจนิ่มละเอียดลงลมหายใจจางคายหายไปก็เหลือตั้งแต่ กิตเป็นผู้รู้รู้อยู่เท่านั้นเองหรือเกิดดับเหมือนกันคําว่าเกิดว่าดับจะว่าไม่ออกว่าไม่ขึ้นก็จะมาเห็นลมหายใจมันรวมอยู่ที่จุดเดียวจุดต้นของมันปลายของมันนี่เองไม่รู้ว่าต้นว่าปลายมันล่ะทีนี้เห็นต้นมันไหมหละ่ะฮเห็นปลายมันไหม มันจะมารวมกันอยู่ที่จุดเดียวไม่เรียกว่าต้นหรือปลายแหละมารวมเป็นจุดเดียวอยู่เอาไปเอามาก็ลมหายใจก็จะจางคลายหายไปก็จะเหลือตั้งแต่ตัวผู้รู้รู้รูก็ได้สมาธาหังได้สมาธาหังกิจตัง จิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิจิต ก, ก็จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดออกทำจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางขันห้าออกหมดจะเหลือตั้งแต่ธรรมชาติเป็นธาตุรู้ๆููอยู่นัน่นนี่เราก็ได้เจตโตวิมุตฺถนอ่า ที่แรกก็รู้สกว่อนลมหายใจเข้ายาวออกยาวทีครังวาอัดสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวลัดสังวาอัดสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสัน้น ลมหายใจมันก็มีสองอย่างไม่สั้นก็ยาวล้านี่แหละเห็นสัน้นเห็นยาวอยู่อย่างนี้อย่าวางเห็นต้นมันเข้าเห็นปลายมันออกนี่แหละปลายจมูกลมสุดก็เห็นเราเกิดต้นมันเข้าไปจิตก็วิ่งเข้าไปกับลมก็เรียกว่าเราเกิดเวลาลมหายใจออกมาสุดลม วิญญาณก็ออกมากับลมก็มาทิ้งร่างกายเราไว้ชั่วคราวก็เรียกว่าเราตายพระองค์เรียกว่าสกนิกะมอละนังตายชั่วขณะหนึ่งแล้วกว็เกิดแล้วก็ตายเป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้น ะ, ะเราก็เห็นเกิดเห็นตายเอาเอาไว้มาคำว่าเกิดว่าตาย โมเลกรรมไม่ขึ้นจางคายหายไปโดยอัตโนมัติก็จะเห็นตั้งแต่ต้นลมกับปลายลมก็จะเห็นต้นลมกับปลายลมอยู่จุดเดียวลมก็จะเป็นก้อนเป็นกลุ่มนิ่มละเอียดไม่รู้ว่าเข้าว่าออกเลยแล้วก็จางคายหายไปคงเหลือตั้งแต่จิจ องเราเป็นผู้รู้รูู้ ก, ก, ก, กเธยอยู่อ่าแล้วก็ได้สมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตอนนี้อย่อุเบกขาจะวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมติออกมอดไม่มีตัวตนสัตว์บุคคล ว่างเป็นธรรมชาติอยู่วิโมจะยังจิตตังจิตจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมติวางขันห้าออกเป็นธรรมชาติก็ได้เจโตวิมุตต์นี่อันนี้ถ้าสงบนิดๆหน่อยๆก็เรียกว่าขันนิกะสมาธิถ้าสงบนานๆหน่อย แล้วก็ถอยออกมาเรียกว่าสมาธิเฉียดเฉียดเขียดเฉียดอารมณ์ผนิพันธ์เขียดเฉียดอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยออกแล้วก็เข้าไปจิตจ่ออยู่ที่ประตูอ่าเรียกว่าจาระจิตจรได้จิตไปได้ เรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วก็มันจะลงไปถึงฐานใหญ่เวิบลงไปนานๆ น, น, นานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะเรียกว่าจิตเข้าไปพักจิตตกพวังใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่ เรียกว่าลงถึงอปปนาฌานอปปนาสมาธิมันจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมุติออกมดเหลือแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมมีธรรมชาติหนึ่งเดียวรู้รู้รู้เฉยอยู่แง่ก็เรียกว่าได้อปปนาสมาธิ ทำไปไม่ต้องจำมังก็ได้หรอกมันไปเองของมันดรอกพวกปริยัติพวกมหาก็จำเอาท่องเอา ว, ว่าจะของได้แล้วว่าเงินนะไม่ได้นะเนี่ยต้องทำให้ลมหายกายไม่มีไปสอบไปเรียนพวกนักทำตีทำโททำเอกพวกเราก็เหมือนกันไปอ่านอ่านว่าคานิการสมาธิ อุปจละสมาธิอัปนาสมาธิเขาไปท่องเอาเฉยๆมันจะเป็นสมาธิได้ก็เมื่อเราดับลมให้ใจลงอ่าผ่อนลมลงผ่อนลมลงผ่อนลมลงเอาใบมาลมให้ใจก็ระงับดับลงทีคังวาลัดสั้งวารู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้น สัพพกายยังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งพวง ก, กายทั้งพวง ก, ก็คือลมให้ใจเข้าออกนี่นะทำกายสังขารให้ระงับดับลงปัดซ้ำพยังกายยสังขลังทำกายสังขารให้นระงับลงคำว่ากายสังขารคืออัดสัสะปัดซาส ะ, สะอัดซาสะคือลมให้ใจเข้าปัดซาสะคือลมให้ใจออกท่านเรียกว่ากายยสังขาร มันไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้ถ้าเราอยากได้เจโต ว, วิมุตติอยากได้สมาธิเราก็ดับคันห้าลงขันห้าเราจะดับโดยตรงไม่ได้หากข้อลงว่าได้ดับเอาเดือๆว่าได้ไม่ได้ต้องใช้กุดสโลบายใช้อุบายดับลมให้ให่ถึงจะดับได้ ลองดูอ่าผ่อน ล, ลมลงผ่อน ล, ลมลงเพราะลมหายใจนี่มันจะไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้จิตของเราก็อาศัยอยู่ในลมกายกับจิตนี่แหละท่านเรียกว่าขันห้าท่านจะดับขันห้าลงต่อหน้าต่อตาไม่ได้ต้องดับลมหายใจ พลมหายใจมันมีอำนาจมีอิทธิพลบังคับให้ขันห้าดับลงได้มันมีแค่นี้นะการการกระทําปัดซ้ำพยังกายสร้างขานลังดับกายสังขานคือลมหายใจเข้าออกให้ระงับดับลงเมื่ออันนี้ระงับดับลงเราก็ได้เจตัววิมุต จิตก็จะหลุดพ้นจากขันห้าตอนเข้าสมาธิก็เรียกว่าเจโตวิมุตตหรือท่านเรียกว่าวิกขำพรนวิมุตตจิตจะวิกขำพระนัไปว่าสกดนะฌานสกดสมาธิสกดขันห้าเอาไว้ชั่วครู่ชั่วคราวเปรียบสเสมือนหินทับหญ้าขันห้าไม่ทำงาน ทำงานไม่ได้ก็คงเหลือตั้งแต่จิตเป็นผู้โลโลโลเฉยกว่าอิรูเบคาเอเกิดขัดตาลมถ้าเข้าอย่างนี้เรียกว่าได้สมาธิไม่ใช่ฌานกำหนดสติรู้ลมเข้าลมออกรู้ว่าเกิดว่าดับรู้ว่าพุโทโธเข้าพุทออกโธ และลึกลู่ลมเข่าลมออกดับลมหายใจลงได้ก็ได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาลมหายใจจะไปบังคับกายหยาบบังคับจิตให้ระงับดับลงจิตจึงจะหลุดพ้นจากขั้นห้าล้วดับขั้นห้าด้วยวิธีดับลมหายใจดับทางอ้อมนะเข้าใจนะ ที่พระพุทธองค์ให้เอาลมหายใจก็เพื่อจะเอาลมหายใจนี่แหละมาทำกายให้ระงับจิตระงับดับขั้นห้าลงเราก็จะได้เจโตวิมุตตได้สมถะได้ความสงบขึ้นมาง่ายไมหมล่ะฮะดับให้ได้เห็นต้นมันไหมต้นเข้าใหม่ เห็นปลายมันไม่ละ่ะเห็นกลางไม่ละ่ะกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมต้องเห็นนะไม่เห็นใช่ไม่ได้เรียกว่าไม่ภาวนามานัง่งนอนรับจาบา่าเบื้องมูเซือไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนาต้องเห็นต้นเห็นปลายเห็นเกิดเห็นดับ อ, อันนี้เข้าใจอันนี้เป็นอ่า เรียกว่าสมาธิอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าชาญนะเข่าชาญนะเข่าฮิตจังไหนเข่าชาญชาญนะแปลว่าเพ่งเพ่งลมให้ใจจุดเดียวเลยให้เป็ น, ปนจุดโฟกัส แ, ล, แลมเข้าไปเลยจนลมหายหน่อยก็ได้อปปนาชาญขึ้นมา อันนี้ต้องเริ่มอย่างนี้นะเริ่มฌานวิตกวิจารฌานนี่ต้องเพ่งดูลมให้ใจกาหนดไม่ใช่กำหนดดูนะเพ่งวิตกดูวิจารดูวิตกก็ว่านึกว่าตึกวิจารก็ว่าตรองพิจารณาดู ให้ควรพิจารณาดูลมเข้ายาวเกินไปเป็นยังไงนี่วิจารณ์ดูอย่างนี้วิจัยดูอย่างนี้วิตกดูอย่างนี้ตึกนึกคิด ว, วิจารณ์ะลมเข้าสั้นเกินไปเป็นยังไงให้มาวิจาวิจารณ์ดูอย่างนี้ถ้าสั้นเกินไปเป็นไงลมไม่พอใช้ ใจจะขาดรีไปยังไงยาวเกินไปอึดอัดเน่นท้องไหมต้องให้เข้าใจวิจารณ์ดูเอาไปเอามาก็ทำอยู่อย่างนี้แหละวิตกวิจาร์ลมให้ใจหยาบรู้สึกเป็นยังไงวิจารณ์ดูวิจยัยดูลมให้ใจละเอียดความรู้สึกเป็นยังไง ยาวเกินไปเป็นยังไงสั้นเกินไปเป็นยังไงพอดีเป็นยังไงพอดีไม่สั้นไม่ยาวมันจะมาอันยาวก็จะมาหดเข้าอันสั้นก็ยืดออกจะมาสมดุลกันสมดุลกันกจิตของเราจะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ตอนจิตมัน พอว lighting, ience, ิจตกวิจารอยู่อย่างนี้นะเห็นลมเข้าลมออกอยู่นี่ยาวสั้นอยู่นี่อยาบละเอียดอยู่นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปปีติจะเกิดขึ้นตอนวิจตกวิจารณลมนี่นะไม่ให้จิตไปวิจารณที่อื่นนะไปรู้ที่อื่นนะวิจารณ์อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่เท่านี้วิจัยอยู่เท่านี้เอาลมให้ใจนี่แหละมาวิจัยดู อ่าเขาใจนะวิจัยวิจารณ์เอาไปเอามาก็จะเกิดปีติสุขเอกับขดารลมขึ้นมาเองไม่ได้ซื้อจากใครพอวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนั้นเอาไวเอามาลมหายใจก็จะนิ่มละเอียดหนะิน่ะตอนลมหายใจนิ่มละเอียดจะเกิดปีติสุขขึ้นมา พอดีลมให้ใจระงับดับลงก็จะเหลือตั้งแต่ปีติสุขเอกระคาตาลงเหลืออารมณ์3วิตกวิจารณ์ดับไปเพราะลมให้ใจหายวิตกวิจารณ์ไม่ได้วิจัยไม่ได้คงเหลือตั้งแต่ปีติสุข เอกัดดตาลมล้วก็ท่านก็เรียกว่าฌานสองเท่านี่แล้วก็ปล่อยอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เฉยอยู่อย่างนี้นะรู้อยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปทำอะไรอกีกเอาแววมาปีติจางคายหายไปหายไปโดยอัตโนมัติก็เหลือแต่สุข กับเอกับขัดตามลมเราก็จะได้ฌานสาหรือเรียกว่าตัตติยาฌานตติแปลว่าสมดูไปดูมาสุขจางคายหายไปโดยอัตโนมัติจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาแทนอุเบกขาแปลว่าเฉยความว่างความเฉย เอกคัดตาลมมีอารมณ์สองรู้เฉยรู้เฉยสองอย่างเนี่ยก็ได้จัดจุจฉานก็เรียกอั ป, ปนาฌานก็เรียกมีอารมณ์สองนี่ถ้าเข้าแบบนี้เรียกว่าฌานฌานกับสมาธิก็เป็นอันเดียวกัน พระพุองค์จึงเรียกว่าฌานก็ได้เรียกว่าสมาธิก็ถูกเพราะมันลงไปถึงจัตุชชฌานฌานสี่จัตุเปวสีมันจะมีอารมณ์สองคืออุเบกขากับเอกัดคัดตาลมเข้ามาทางสมาธิมันก็จะมาลงถึงอัปปนาสมาธิมีอารมณ์สอง คืออุเบกขากับเอกับคาตาลมเหมือนกันอารมณ์สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือมาเรียกว่าอัปปนาฌานก็อันเดียวกันจะเรียกว่าสมาธิก็ถูกจะเรียกว่าฌานก็ได้เพราะว่าฌานสมาธิกลายเป็นอันเดียวกันเพราะมี อารมณ์สองเท่ากันก็มาอยู่ในอารมณ์เดียวกันรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเข้ามาทางไหนก็ได้ใครจะวิตกวิจารณ์ลมหยาบลมละเอียดดูเกิดปีติสุขเข้ามาก็มาถึงอั ป, ปนาฌานใครจะกําหนดสติดูลมเข้าลมออกมาเรื่อยๆดูเกิดดูตาย มาเรื่อยๆก็ได้คาณนกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเหมือนกันอารมณ์สองให้พากันเข้าใจอย่างนี้วิธีธ ร, รมสมาธิจะเรียกว่าชานก็ถูกเรียกสมาธิก็ได้เพราะมันมีอารมณ์สองเท่ากันคืออุเบกขากับเอกับคัดดารมมาถึงจุดนี้ แล้วก็เรียกว่าเราได้สมถะจิตจะหลุดพ้นจากขั้นห้าเรียกว่าเจโตวิมุตขันห้าจะดับลงถ้าเราดับลมหายใจลงได้นะถ้าดับลมหายใจไม่ได้ไม่มีหวังตอนมันถึงอั ป, ปนาชาอ ป, ปนาสมาธิลมหายใจไม่มีหมดได้เจโตวิมุตเหมือนกัน จิตหลุดพ้นจากขั้นห้าเราจะขัดดับขั้นห้าโดยตรงต่อหน้าต่อตาเราไม่ได้เราต้องดับด้วยทางอ้อมคือดับลมหายใจบังคับลมหายใจให้ดับลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยโบราณท่านยังถามบังคับลมหายใจได้ไหมบังคับลมหายใจได้ขนาดไหนแล้วถ้าบังคับได้นิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยก็ได้คณนการสมาธิ ถ้าบังคับลมลงให้หายพอลมหายกายหยาบก็ไม่มีจิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ดับลงสังขารจิตจิตของเราก็จะกลายเป็นวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าพุทธโธรู้รูเล อ, อ่านี่ง่ายคนเรายังไม่เข้าใจ เวลาไปทำมันดึงเหมือนกับครูอธิบายโจทย์แบบฝึกหัดให้นักเรียนนักศึกษาอธิบายคลุมเครืออธิบายไม่ชัดแจ้งเวลาเข้าไปทำมัน้องไม่ถูกถ้าอธิบายชัดแจ้งเหมือนกับพูดให้ฟังเดี๋ยวเนี่ดับลมให้ใยลงได้ก็ดับขันห้าลงได้ เพราะว่าขันห้าอยู่ใต้อำนาจของลมหายใจนี่ชัดแจ้งไหมไหนี่ฮปัดสัำพยังกายยสังขลังดับกายย่าสังขารคืออัดซาสะปัดซาสะลมหายใจเข้าออกดับลงได้ก็ได้เจโตวิมุตขันห้าก็ดับลงพร้อมกัน จิตจึงหลุดพ้นจากขันห้าชั่วชาญสะกดไว้สมาธิขมไว้เรียกว่าเจโตวิมุตต์นี่ในหมวดในหมวดที่หนึ่งสองสาจะพูดเรื่องกายกับจิตพูดเรื่องขันห้าพูดเรื่องลมหายใจ เมื่อลมให้ใจบริบูรณ์เราก็จะได้สติปัญญาสี่ล้วก็จะเห็นกายในกายเห็นเวทนาเวทนาเวทนาก็ปิติสุขนั่นแหละเมื่อดับเวทนาลงก็จะเห็นจิตในจิตเจ้าของจิตรวมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาทหังจิตดังตอนจิตรวมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านก็ว่า มิโมจะยังจิตตัง้งจิตปล่อยวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมทวางคันห้าออกมอดจิตจะมาเสมออารมณ์มีมุติสุขรู้ๆูู้เเยบางคนมาถามว่าได้ยินเสียงไหมผู้เคยจิตสงบ ถ้าจิตสงบมันมันได้ยินเสียงไหมได้ยินผู้รู้ยังมีอยู่ได้ยินเหมือนเดิมแต่มันอุเบกขานะได้ยินแล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยิน้ล่รู้แล้วก็วางไปเท่านั้นรู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้แล้วก็วางไปไม่ไปวิตกวิจันเสียงว่าอเอ๊เสียง ดีเสียงไม่ดีเสียงอันนั้นน่ารักน่าเกลียดนา่าชังไม่ได้วิจารณ์รู้แล้วก็เฉยแนี่อวุบ่บกขาบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไวากิตสงบได้ยินเสียงอยู่ได้ยินได้ยินมันก็อุเบกขารู้เฉยนี่แหละเราจะเห็นปัญญา ตากจิตตาใจเราจะไปเห็นตอนนี้แหละตอนจิตสงบมันวางโลกวางอารมณ์วางสมมติวิโมจะยังจิตต่างวางออกดับขั้นห้าได้จิตจะเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวรู้ๆููอยู่โอ้เนี่แหละขั้นห้าไปไหนเราจะเห็นา่ากายเราทำไมกายไม่มี ลมหายใจก็ไม่มีกายหยาบก็ไม่มีจิตของเราความนึกรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไม่มีอืมว่างอยู่นี่ <c oughs> นี่นี่เรียกว่าปัญญานะตายจิตตายใจนี่แล้วเพื่อินว่าปัญญาเพื่อเรียกว่าปัญญาอ่าปัญญาเกิดจากสมาธิจะเห็นว่า เมื่อได้เจตโวมิมุตหรือจิตสงบแล้วจะเห็นว่ารูปนามขันหาก็ไม่มีไปไหนล่ะกายไม่มีลมหายใจไม่มีจิตก็ไม่มีมีเดชธรรมชาติธาตุรู้อยู่ตัวตนที่เขาว่าตัวตนเรามีไหมล่ะเราไม่มี เขาก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาโลกาไม่มีตึกรามบ้านช่องที่เรานั่งหนึ่ไม่มีเป็นธรรมชาติหมดสัตว์บุคคลไม่มีนี่แหละปัญญาจะเห็นแต่ธรรมชาติเป็นธาตุรูรูว่างห้องใสอยู่ นี่เลยคือตัวปัญญาแท้ๆนั่งสมาธิก็เพื่อจะหาอันนี้อืมจะเห็นตัวผู้ ร, รู้รูู้ตายไม่เป็นตัวผู้รู้เนี่ยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรูู้อยู่งั้นแหละตายไม่เป็นพระองค์จึงตั้งว่าอะมะอมะตะ อมะตะจิตอมตตาธาตุอมะตะาอมะตะาธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นการเวลาไม่ไปครอบงำจิตได้ตอนนั้นนั่งแป๊บเดียวว่านั่งแป๊บเดียวนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงถอยจิตถอดออกมานึกว่าจะของนั่งแป๊บเดียวไปดูนาฬิกาได้สองสามชั่วโมง นั่นการเวลาไม่ครอบงําจิตจิตตรงนี้ก็เรียกว่าอากาลิโกจิตกาลิโกไปว่าการเวลาอากาลิโกธาตุอาการเ ร, รียโกทำทำไม่ไปประกอบจิตทําไม่ชาติอา น, นิจจังทุกครังอนัตตาไม่ไปเข้าไปประกอบจิตได้จิตจึงแก่ไม่เป็น ไม่มีจุติไม่มีเคลื่อนที่ไม่มีเกิดไม่มีดับมีแต่ความรู้รู้อยู่เฉยๆนี่ปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดอย่างนี้พวกผีบ้าก็ไปหาและะ้วแบบนี้เห็นมันว่างสว่างพองใสรู้เฉยเอาทําไมไม่เห็นอันนั้นอันนี้ไม่เกิดปัญญา าหาเรื่องเะไรทีนี้อยากเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเอาไปก็พาจิตไปดูอันนั้นอันนี้ไปเห็นอันนั้นอันนี้ก็เลยจิตก็เลยหยับเข้าอุปจละสมาธิไปรู้อันนั้นไปเห็นอันนี้ขึ้นมานี่ เ, เกิดนิมิตขึ้นมากิจจากการรนดขึ้นแสดงขึ้นมาหลอกเจ้าของ ใช้ภาพเข้าไปที่มโนมโนก็กลายเป็นภาพขึ้นมาเราจะเห็นรูปแสงเสียงอยู่ในใจของเราก็นึกว่าเราได้ปัญญาบางทีมันก็ใช้ออกมาถูกนะออกมาก็มาเห็นอันนั้นอันนี้จริงๆก็เลยอุปทานยึดถือเอาเหมือนเราฝันนะอันนี้ ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับจิตไปทํางานนอนหลับอยู่พักผ่อนอยู่เหมือนเรากินข้าวอยู่เหมือนเรานอนหลับอยู่อย่าไปทํางานให้มันหลับเต็มที่มันอิ่มซะก่อนกินข้าวกิกนให้อิ่มซะก่อนจิตให้พักผ่อนเต็มที่ซะก่อนอืม ตกพะวังใหญ่พักผ่อนเต็มที่แล้วจึงพาจิตจิตมันจะถอนออกมาเองหรอกนะ น, นะเหมือนกับเรากินน้ํากินข้าว อ, อิ่มแล้วมันจะออกมันจะหยุดเองของมันจิตมันจะถอนออกมาเองของมันเมื่อสมาธิถอนออกมาจิตนุ่มนวลคู่ควรเกียการใช้งานเราจึงเอาจิตไปใช้งานอีกเอาจิตไปคิดไม่คิดก็พามันคิด ถามให้มันคิดตั้งคำถามขึ้นให้มันตอบให้มันคิดนั่นจึงเรียกว่าปัญญาปัญญารอบสองอันที่แรกมันหลุดพ้นจากขันหาเราก็เห็นในสมาธิเรียกว่าเจตโตวิมุตติรอบสองมันจะหลุดพ้นจาก ขันห้าด้วยปัญญาวีมุตนะอา่าตอนจิตออกมาแล้วก็เห็นก่อนเรานั่งมันตัวตนสัตบุคคลก็ยังมีอยู่คือเกา่าเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบแล้วขันห้าไปไหนตัวตนสัตบุคคลไปไหนเมื่อมันออกจากสมาธิมันก็นมามีตัวตนสัตบุคคลขึ้นมาอีกอืม ตอนนี้แลเราจะเอาอันนี้แล้ปัญญาในสมาธิแหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีตัวต้นสรรัตว์บุคคลอะไรมันมีแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดผู้มีปัญญาตายเห็นลูกเนี่ยออกมามันจะมาถือเอากายของเราทันทีถือเอาขันห่าว่าเป็นเราเมื่อตาตาก็คือขัน รูปภายในหูจะโมกลิ้นก็คือรูปภายในเมื่อมันเห็นรูปได้ยินเสียงเรายังหลงว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่ตัวตวนอยู่ในนี่เราก็เลยไปสําคัญตนว่าเราเห็นอีกผู้ที่ท่านเกิดปัญญาจากสมาธิไม่มีใครเห็นนะไม่มีเรามมีเขาอยู่ในนั้น ทัานจะตัดออกเลยปัญญาวิมุตต์กับหลุดพ้นจากขันห้าขันห้ามันเป็นเองอยู่อย่างนี้มันเกิดมันดับทํางานอยู่างนี้ตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่มีเราเราว่ามีตอนขอดสมาธิอเราไม่ ม, ม, เออเ ม, มีเขาก็ไม่มีตัวตวนสัตว์บุคคลไม่มีมันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์กิจหลุดพ้นจากขันห้ารอบที่สอง เจโตวิมุตต์นี่แหละอาณาปานสติผู้ใดทําแล้วเจริญให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตตนั่นเมื่อออกมาก็ได้ปัญญาวิมุตต์รู้ว่าขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์อ่ตาตายเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงไม่ยินดีไม่ยินลายเราก็ดับขันห้าได้ รอบที่สองก็ได้ปัญญาวิมุติขึ้นมาหลุดพ้นจากขั้นห้าพาราหันองค์นี้จะหลุดพ้นทั้งสองส่วนท่านเรียกว่าอุพัทโตภาควิมุตหลุดทั้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตสิ้นอาสาวกิเลสในทิฏฐ ธ, ธรรมนี้ปัจจุบันท่านได้เห็นตาอะไรได้จิตได้ใจ ถ้าเขาด่าเราเราไม่มีเราไม่โกรธนีน่เรียวกว่าหลุดพ้นแล้วอืมไม่โลภดับความโลภความโกรธความหลงได้แต่ก่อนเราหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นี่นั้นเมื่อนั่งสมาธิไปสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอืมขันห้ามันก็ เป็นขันรุนร้วนมันทำงานเฉยเฉยไม่มีเจ้าของต้องเข้าใจอย่างนี้นะวิธีทมสมาธิก็เพื่อให้จิตสงบแล้วก็จะได้เกิดปัญญาเห็นว่าขันห้าจิตหลุดพ้นจากขันห้า ข, นาขันห้าไม่มีกายไม่มีใจไม่มี เขาสมมติว่ากายไหวใจเขาเรียกว่าขันห้าเฉยๆสมมติว่าขันห้าเราจะเข้าใจอันนี้ในเข้าสมาธิออกจากสมาธิก็จะมาถือเอาอารมณ์นี้เอาไว้ถือเอาจิตเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆเนะี่ยไม่ยินดีไม่ยินะไรจิต ก, ก็ว่าง่องใสเป็นวิมุตติสุขอยู่ตลอดวัน สิ้นอาสาวกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงอาสวะกามาสวะพวาวสวะอวิชชาสวะอาสวะก็ดับลงเพราะอะไรอาสวะดับเพราะอวิชชาดับเนี่ย ง่ายๆนี่ยอสวะเกิดเพราะอวิชชาเกิดดับความโง่ความหลงลงได้อวิชชาคือความโง่ความหลงความรู้ไม่จริงหลงอะไรหลงว่าขันห่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยเมื่อนั่งสมาธิลงไปเราก็ไม่มีของของเราก็ไม่มีขันห่าก็ไม่มี ก็ได้เกต ว, วิมุตติจิตหลุดพ้นขานห้าออกมาก็มาหลุดพ้นอีกรอบที่สองนี่คือปัญญาวิมุตติหรือเรียกว่าอาสวะกามาสวะภาสวะอวิชาสวะกามาสวะมันก็เกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกัน รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเรียกว่ากามมะคุณห้าหรือกามกามมาสะวะตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกันกับรูปเสียงกลิ่นรสผดผดทพะนี่จึงเกิดภัฏระขึ้นเมื่อภัฏระเกิด ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคําสอนของผู้ริเจ้าจะสำคัญตนว่าเราเห็นเราเป็นเรามีอยู่ในขั้นห้าจึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาอิทธลมท่านลมยินดีพอใจขึ้น ก็เรียกว่ากามาสวะอาสวะนอนเนื่องอยู่ในสันดานกามสาวะเวสุขเวทนาเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดก็เรียกว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวชนาเกิดก็กามาสวะ หรือราคานุสัสก็ตามนอนถ้าความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ความกระทบกระทั่งก็เกิดขึ้นอยากขับไล่ไส์ทรงนี้คือโกรธก็เรียกว่าปฏิคานุตสตามนอนราวาสวะตามนอนอยู่ในใจเรา เมื่อตายเห็นรูปหลงสำคัญตนหลงคือรู้ไม่จริงอวิชาดับไม่ได้ก็หลงรู้ไม่จริงเห็นก็ไปหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั่นได้ยินก็เรียกว่านั่นละ่ะอวิชาอวิชานุสัย อวิชชาสวะกามาสวะพววาสวะอวิชชาสวะก็นอนอยู่ในใจเราความหลงนั่นแหละหลงขั้นห้าถ้าเราไม่หลงละ่ะตาเห็นรูปงูได้ยินเสียงง็สักแต่ได้ยินสักแต่ว่าเห็ น, นไม่ยินดียินไร่ตัวลาคะตัวตันหาจะเกิดได้ไหมตัวอวิชัยเกิดได้ไหม เพราะไม่มีใครไ ม, ไม่มีเราอยู่ในนั่นอวิชาก็หลงว่าเรามีอยู่ในขันห้านี่วิชาก็รู้ว่าเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห่ามันทำงานอยู่นั่นแล้วก็ดับได้อวิชาดับอาสวะก็ดับนี่รู้จักอาสวะ โน่นง่ายไหมเลยทเนี้เหตุเกิดอาสะวะรู้จักดับอาสะวะรู้จักแนวทางเพื่อดับอาสะวะก็คือรู้อริยสัจสี่นั่นละพูด ง, ง่ายๆอาสะวะนั่นแหละคือกิเลสคือทุก เหตุเกิดอาสะวะเพราะอาวิชชาเกิดเพราะหลงเพราะรู้ไม่จริงดับอาสะวะก็ดับอวิชชาลงอาสะวะก็ดับเรียวกว่านิโรธแนวทางมานน้ำมาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยคือมักมีองค์แปดถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ พระธิมานพระนิพานก็มีอยู่พระอรหันต์ก็มีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติพระนิพานก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีนี่นะกามาสะวะรู้จักอาสะวะอาสะวะคือกามาสะวะพวาสะวะอวิชชาสะวะ เหตุเกิดอาสะวะเพราะอะไรเพราะอาวิชชาถ้าดับอวิชชาลงได้อาสะวะก็ดับก็เรียกว่านิโรธไม่่อื่นไกลสัมมาทิฐิขั้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่รู้จักอาสะวะ เหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางดับอาสวะจบเข้าสู่พระนิพพานเลยดับอาสวะอาสาวะขายายานเกิดยานสิ้นไปแห่งอาสาวัิเลสได้แก่ดับความโลภความโกรธ ความโหลธความโกรธมันเกิดมาจากไหนมนเกิดมาจากความหลงเกิดมาจากอวิชชาอืมมันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรให้พากัรทาเอาเท่านี้เวลานั่งสมาธิก็จะได้เจโตวิมุตต์ปัญญาก็จะเกิดจากสมาธิเห็นว่าขันห้าไม่มี มีแต่ธรรมชาติเห็นในสมาธิเห็นในตายจิตตายใจนี่เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในสมาธิขันห้าก็ไม่มีลาบเหมือนหน้ากลองชัยต้นไม้ภูเขาเรล่ากาพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มี บ้านช่องห้องหอไม่มีกายของเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิมีแต่ธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสปัญญาแท้ๆกับว่างสว่างพ่องใสอเนี่ยออกจากสมาธิกิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เอาความรู้ความเห็นในสมาธิเนะี่ยมาตั้งเอาไว้ สัตวบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีขันห้าไม่มีตายเห็นรูปก็ไม่ใช่ใครเห็นหูได้ยินเสียงไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินก็เรียกว่ามัชชิมะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางจิตรู้ให้เฉยเฉยมันซีอินรียมีความเป็นใหญ่ในการรู้รู้แล้วก็วางรู้เฉยเฉยอุเบกขา รู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินไลนะ่เป็นกลางอยู่ตัวถ้ายินดีก็เป็นไม่กลางยินไร่ก็ไม่กลางมัททิมะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางเออหรือเราเรียกว่ากุศลาที่สวดไปเมื่อกี้นี่นะกุศลาคือบุญคือกุศลเกิดจากการให้ทาน รักษาศีลภาวนานี่อกุศลาก็คือบาปอากุศลเกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดปวดมดเท็ดกินเหล้าเมาสุรานี่ง่ายๆเนี่ยอกุศลากุศ ล, ลาก็นี่แหละนี่ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเป็นพระโยมก็ทานศีลภาวนา ภาวนามันจะเป็นแบ่งออกเป็นสองอย่างพบกันตรงนั้นสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสมาถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาก็คือปัญญาพระกับโยมก็ไปประจบกันที่นั่นนะให้พากันด้วยจักกุศลลากุศลลาแปลว่าบุญแปลว่ากุศล กุศลแปลว่าความฉลาดกุศลในศาสนาก็แบ่งออกเป็นสีอย่างไม่ใช่ฟังสวดเฉยๆกามาวาจรกุศลกุศลท่องเที่ยวอยู่ในการรมลูปาวจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปชนันตายไปแล้วไปเกิดพมลโลกอรูปาวจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปชนัน ที่เราเรียกว่าราคาลูปราคาลูปราคานั่นความติดใจยินดีพอใจในรูปฌานในรูปฌานตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พมโลกไปเป็นพระพมสวรรค์เพนเินมาพัดอินขึ้นไปก็เป็นพระพมเหนือโลกสามขึ้นไปนี่เมื่อผู้ใดมาปฏิบัติเห็น ขันห้าเป็นอนิจนตตนนนจังทุกครั้งนาฏตาเห็นฌานเป็นอนิจจังทุกครั้งนาฏตาเห็นสมาธิเป็นอนิจจังทุกครั้งนาฏ ต, ตาไม่ว่ า, ารูปฌานหรือรูปฌานจึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีในกรามก ร, ๆๆ ร, ากรา ม, มาโลกรูปโลกอรูปโลกดับขันห้าได้ขันขันกามาโลกรูปโลกอรูปโลกก็เข้าสู่พระนิพพานโลกุตระภูมิ เหนือโลกสามคือพระนิพพานอืมไม่ใช่เราเวลาคนตายนิมนต์พระไปสวดสวดก็ต้องรู้ความหมายไปบอกบุญคนตายอนี่แหละไปบอกอภิยากตาธรรมะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะกุศลคือทานศีลภาวนา ตายไปแล้วไปเกิดเองให้ไปทําบุญให้ท่านรักษาศีลภาวนาเด้อคนยังอยู่ก็ยังไม่ตายก็ให้ท่านรักษาศีลภาวนาเอาไวน้นี่เรียกว่ากุศลานี่ทําบุญทํากุศลเอาไว้นี่อกุศลาคือบาปอกุศลอย่าไปทําทําแล้วมันไปตกอบัยภูมิทั้งสี่ข้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่นปวดปดหมดเท็ดกินเหล้าเมาสุรานะี่ะ อย่าไปทำเป็นเนขาดมันไปตกอบายภุมนี่อพิญากตาธรรมากิตที่อยู่นอกบุญเนื้อบาปไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอัพยากตากิจเป็นจิตกลางๆรางจะกลางไหมล่ะบอกมันแล้วไม่กีนะเห็นก็นแัตแต่ว่าเห็นนั่นกลางไหมล่ะไม่ยินดีไม่ยิน้ายนี่เรียกว่ากลางลรวนะันนี่มัชฌิมาปฏิปทา หรืเรียกว่าอภยากายตาธรรมาคือจิตที่เข้าไม่อยู่นอกบากเนื้อบุญนอกรักเนื้อชังนอกสุขเนื้อทุกนอกธาตุเนื้อขันรู้เฉยๆอภยากตายจิตจิตผ่องแผ้วแจ่มใสก็อันเดียวกันเอตังพุทธานาสาสนังทําจิตให้พ่องแผ้วแจ่มใส ไอ้ผ่องแผวแจ่มใสนั่นแหละคือปัญญาแท้ๆเป็นธรรมชาติน่นนะนั่งมาหาอันนี้เดี๋ยวนี้อาอะวันนี้ก็สมควรเวลานั่งสมาธิก็สมควรแก่วเวลาเอาละเอวงัง